ส latitude, ble, bien, salud, formas, ิ่งที like us, Mother, world, daily, ่เลวร้ายต่ำต่ำอันนั้นเ้ียยบาอยู่อย่างสูงกินอย่างสูงนอนอย่างสูงกลับไปทำงานสิ่งที่เลวร้ายด้ว่ยบะกลับทำงานอย่างต่าพวกเรามาที่นี่อยู่ที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่อยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำแต่มุ่งหวังทำงานอย่างสูงแทนพระพุทธเจ้า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 ถ้าหากเป็นครูก็ทําหน้าที่ของครูให้มันสวยๆงามถ้าหากเป็นผู้ใหญ่บ้าน <'s called the crew> ก็ทําหน้าที่ผู้ให ญ, ญ่บ้านให้มันดีๆถ้าเป็นกำนันก็ <'s called the crew> ต้องทําหน้าที่กำนันให้มันดีๆ <'s called the crew> ถ้าเป็นตำรวจทหาร <'s called the crew> เป็นอะไรก็ตามเถอะเป็นพ่อคนแม่คนก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีๆ <'s called the crew> แต่ทําดีๆแล้วคนอื่นจะไปช่วก็ตามทีเถอะ